สังคาทิเศษสิบสามสิกขาบทนี้เก้าสิกขาบทข้างต้นให้ต้องอาบัตแต่แรกธทมเรียกปัตมาปฏิกะสี่สิกขาบทข้างปลายให้ต้องอาบัตต่อเมื่อสงสวดประกาศห้ามครบสามครั้งเรียกยาวะตะติยกะ ภิกษุล่วงศิขหาบทใดศิขหาบทหนึ่งแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษเป็นธรรมเนียมของภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษจะแจ้งความนั้นแก่สงอย่างตามเพียงจตุวัคคือสี่รูปแล้วขอประพฤติวัดชื่อมานัทเมื่อสงสวดอนุ ญ, ญาตให้แล้วพึงประพฤติมานัทนั้นให้ถูกระเบียบหกราตรี เสร็จแล้วจึงมาขออภานต่อสงเฉพาะวิสติวัคคือ20สบรูปอย่างเดียวสงสุดอภานระ ง, งับอาบัตสังคาทิเศษนั้นแล้วจึงกลับเป็นผู้บริสุทธิ์ตามเดิมแต่ถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัตสังคาทิเศษนั้นปิดเสียไม่บอกแกภิกษุด้วยกันลอยให้วันล่วงไปเท่าใดต้องประพติวัด ชื่อปริวาแถมก่อนสิ้นวันเท่านั้นคือเท่ากับวันที่ปกปิดไว้เสร็จแล้วจึงพระพฤติวัดชื่อว่ามานัดนั้นต่อไปตามธรรมเนียมภิกษุต้องอาบัดแล้วแน่ใจว่าต้องคิดจะปิดไม่บอกภิกษุอื่นให้ล่วงวันไปดังนี้เป็นอันปิด ถ้าไม่คิดจะปิดแต่มีเหตุขัดข้องที่จะบอกไม่ได้คือถูกสงลงโทษโดยอุเคปนิยกรรมไม่มีใครครบ้วยคือไม่ให้ฉันร่วมไม่ให้อยู่ร่วมไม่ให้มีสิทธิเสมอกับภิกษุทั้งหลายถูกตัดสิทธิ์แห่งภิกษุชั่วคราวหรือมีอันตรายเช่นทางที่จะไปมีสัตว์ร้ายไปกลางคืนไม่ได้หรือน้าท่วมไม่มีเรือจะไป ขัดข้องเช่นนี้ถึงข้ามวันไปไม่เป็นอันปิดแต่เมื่อรู้ว่าพ้นเหตุขัดข้ดของเหล่านั้นแล้วพอจะบอกได้ต้องรีบบอกอาบัตสังฆาทิเศตนี้เป็นอาบัตหนักในฝ่ายอาบัตที่จะแก้ตัวได้จึงเรียกว่าเข้ารุกกาบัตมีเรื่องยาบคายอยู่มาก จึงเรียกทุตุลลาบัตภิกษุผู้ต้องจะพ้นได้ด้วยอยู่กรรมจึงเรียกว่าวุต ธ, ธาคะมินี